นั่งทำธรรมดาสบายสบายไม่ต้องประนมมือก็ไไม่เสียควังเคารบนั่งสำคัญที่รับสารกิตในขณะที่ฟังภาวนาทาความรู้สึกอยู่กับตัวไม่ส่งไปสถานที่อื่นถ้าแสงทรรที่ท่านแสดงไปจะเข้าไปสัมผัสความรู้ของเราที่ที่อยู่กับตัวแล้วทัด้อยทัดคา และการฟังธรรมที่จะให้เกิดประโยชน์ในขณะฟังก็ไม่จาเป็นต้องจดจำข้ออัดข้อธรรมที่ท่านแสดงทาความรู้สึกไว้กับตัวเท่านั้นใจจะได้รับความสงบและเพลินกับปัดธรรมในขณะที่ทำเข้าไปสัมผัสใจเป็นความสุขเย็นใจในขณะนั้นเรียกว่าได้ผลในการฟังธรรม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 ความจาให้ตามมาทีหลังคำว่าศาสนาท่านทั้งหลายก็พอเข้าใจแล้วท่านแปลว่าศาสนาธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าววาอย่างนั้นถ้าเป็นด้านวัตถุก็เป็นเครื่องประดับตกแต่งมนุษย์เราให้สวยงาม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 ม่จะดอกไม้สวยงามก็าตามแต่กลิ่นไม่ดีคนก็ไม่ชอบคำว่าดอกไม้ก็หมายถึงตัวของเราเองมีรูปร่าง ส, สวยงดงามแต่ความประพฤติอิริยามายาทไม่ดียิ่งประพฤติตัวไม่ดีเข้าด้วยแล้วมันก็ขาดความนิยมมีน้ำช้ำก็ทำให้คนอื่นเกลียด ไม่อยากควบค้าสมาคมไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายก็ตามเพราะความไม่ดีมันแฝงอยู่ภายในนั้นทารูปร่างก็สวยงามด้วยความประพฤติมารยาทหน้าที่การงานก็ทำไปด้วยเหตุโดยผลคือมีธรรมเป็นเครื่องสนับสนุนลึือบำรุงปกครองรักษาไปด้วยก็เป็นผู้มีความสง่าอาศีไปที่ไหน ใครก็อยากโคค้าสมาคมไม่มีใครลังเกียจเกี่ยวกับต้นดอกไม้ที่มีสีสวยงามและมีกลิ่นหอมด้วยทีนี้รูปร่างกลางตัวของเราไม่มีใครสามารถจะตกแต่งได้นอกจากกรรมที่ตกแต่งให้เป็นขึ้นมาดังเราท่านท่านทั้งหลายนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นแต่การตกแต่งด้วยทางศิลธรรมนี้เป็นสิลปที่เราพอทําได้ ให้เป็นเครื่องส่งเสริมตัวของเราให้มีความสวยงามอย่างลึกซึ้งขึ้นมาได้คนมีธรรมย่องงามกลิ่นก็หอมทวนลมด้วยไม่แต่เป็นไปตามลมเหมือนกลิ่นทั้งหลายของโลกกลิ่นของศีลของธรรมนี้มีการทวนลมใครอยู่ทางทิศใดแดนใดก็มีความก็ยิบ ม, มีความร่นมสมีความยินดีอยากคุ้ค้าสมาคม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 หรือที่ตนจะกระ พ, งพึงกระทำว่าอันในควรอันใดไม่ควรย่อมมีการครดควรอยู่เสมอแล้วก็ไม่ค่อยผิดพลาดด้วยทำหน้าที่การงานอะไรก็ได้ผลโดยสมบูรณ์เพราะหลักพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องส่งเสริมหน้าที่การงานการคลองขีพและความประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตใจได้โดยลาดับจนถึงขั้นสมบูรณ์ไม่มีแย่แห่งธรรมในแย่ใดที่จะ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 ให้แก่มนุษย์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีที่จะเป็นการกดทวงความไปเรื่องของโลกด้วยอาวาตข้อใดผู้ที่เข้าใจว่าศาสนาเป็นการกดทวงความไปเรื่องของโลกนั้นผู้นั้นคือผู้กดทวงความไปเรื่องของโลกนั่นเองเพราะไม่ทราบความจริงอันแท้จริงของศาสนาซึ่งออกมาจากท่านผู้ทําโลกให้จเจริญ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 ตั้งแต่การไหนๆเพราะทำไม่เคยมีพิษมีภัยต่อผุ้นผู้ใดเลยหากผู้มีธรรมได้ประพฤติปฏิบัติภายในตัวเองและนำความประพฤติปฏิบัตินี้ไปสั่งสอนคนอื่นผู้ที่มีความสนใจค่สนใจแค่เหตุแค่ผลแค่ทําแล้วผู้นั้นๆก็จะได้รับความสุขความเจริญไปตามมีจํานวนไม่น้อย ดังที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนธรรมแก่สัตวโลกทั้งหลายเป็นทั้งสามโลกธาตุเราเคยได้ยินไหมว่าใครที่สามารถเป็นครูทั้งมนุษย์ได้และเป็นครูทั้งเทวดาอินทร์มได้ไม่ปรากฏนอกจากพระพุทธเจ้าและจิตตถาคตคือพระหันท่านในบางองค์เท่านั้นที่จะเป็นผู้สามารถเมื่อเป็นเช่นนั้นศาสนธรรมจะเป็นเครื่องเครื่องทาลายโลกได้อย่างไร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 พระพุทธเจ้าทรงจัดสรุเองโดยชอบวิชาเจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะความประพฤติเนี่ยวิชาก็วิชาสามวิชาหกอะไรเต็มอยู่ในพระไตรกุลเจ้าทั้งนั้นเนี่ยจรณะคือทําเครื่องประพฤติพระอาการของพระองค์ทุกอย่างทุกพระอาการที่แสดงออกจะประกาศความเป็นศาสดาของพระองค์ให้โลกได้เห็นอย่าง ชัดเจนเต็มหูเต็มตาไม่มีความบกพร่องหรือใครจะยึดไปประพฤติปฏิบัติได้ทั้งนั้นและเป็นที่น่าเคารพน่าเรื่อมใสในในพระอาการที่ทรงแสดงออกแต่ละอาการอากากรจึงสมนามว่าเป็นาศาสนาเป็นาศาสนาของโลกทุกพระอาการที่เคลื่อนไหวนอกจากนั้นยังแนะนำสั่งสอนโลกเต็มพระทัอย่างเต็มพระทยัยความสามารถของโพลิด้วยนั้นโลกทั้งหลายได้มีความเคารพเขา เลื่อมใสพระพุทธเจ้ามากมายก่ายกองแม้แต่เทวดาเรายังไม่เคยได้พบไปเห็นองค์ของเทวดาเลยว่าเป็นองค์อย่างไรแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงสามารถทราบเรื่องเทวดาประจักษ์ในพยานของพระองค์เองถึงกับเป็นครูของเทวดาทั้งหลายได้อินพรมทั้งหลายมีแต่พระองค์เป็นครูทั้งนั้นท่านเหล่านั้นไม่เคยเป็นครูเป็นอาจารย์พระพุทธเจ้าเลยแล้ะในโลกนี้มีใครสามารถเป็นครูได้ทั้งสามโลกธาตุ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 ตามหลักาศาสนธรรมที่สอนวันี้จะกลายเป็นมหาสมบัติขึ้นภายในจิตใจของตนเดิมนับนับตั้งแต่เป็นคุณสมบัติทาง จ, จิตใจคุณสมบัติในตัวของเราแล้วก็ก้าวขึ้นไปเป็นมหาสมบัติภายในจิตใจคือสําเร็จมากสําเร็จผลจนกระทั่งถึงมิมุติหลุดพ้นไปโดยลำหนับกลายเป็นมหาสมบัติขึ้นภายในจิตใจนี้เพราะอํานาจแห่งาศาสนธรรมความประพุติเจ้าที่เป็นมหาสมบัติอันยิ่งใหญ่แต่ทานไวให้เป็นมรดกแก่โลกนี้เท่านั้น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 อยู่ภ า, ายในจิตใจเป็นอันว่าใจของเรามีหลักอยู่ตลอดกาลนี่คือผู้ผมีหลักคือมีหลักทําอยู่ภ า, ายในใจร่างกายจะสลายไปก็สลายไปแต่คุณธรรมที่มีประจําใจเพราะความลึกยึดมั่นอยู่เสมอนี้จะไม่ปราศจากจิตใจนี้เลยสาระคุณอันนี้แหละที่ยังสัตว์โลกให้เกิดในสถานที่ดีทติที่งามไม่ใช่สิ่งอื่นใดที่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 ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นพระสงฆ์สาวกที่บริสุทธิ์ดุพ้นจากกิเลสอาชวะทั้งหลายกลายเป็นพระสงฆ์อันวิเศษด้วยกันเพราะฉะนั้นคําว่าพุทธังธรรมังสังฆังสนังกระฉาม น, นี้จึงเป็นคู่ควรอย่างยิ่งสําหรับใจของเราไม่ได้ตาต้อยน้อยหน้าว่าตนได้ยึดถือสาระอันไม่ดีมาเป็นเครื่องพึ่จริงคือเป็นสิ่งที่จอมปลอมอย่างนี้ไม่มีในจิตใจเพราะธรรมชาตินั้นเป็นของแท้ของจริง ถ้าจะพูดเปอร์เซ็นเหมือนยังสมัยปัจจุบันนี้ก็ร้อยทั้งร้อยไม่มีบินเป็นประโน์คุสมัติทั้งร้อยเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นซ น, นั่นแหละแล้วอันใดที่จะเต็มร้อยเปอร์เซ็นเหมือนอย่างคุณธรรมนี้ในโลกนี้เราหาไปเจอที่ไหนมั่งไม่มีไปเจอเข้าด้วยความดีใจสักคู่หนึ่งก็ไปเจอความเสียใจในขณะต่อมานั้นเป็นลําดับตำหนับไปเจอความรักเข้าก็ไปเจอความเกลียดความชังขึ้นมาเนี่ยไปเจอ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 หลักธรรมคือความจริงนี้เคยมีมาดั้งเดิมไม่ใช่จะมีเฉพาะพระพุทธเจ้าของเรานี้เท่านั้นแล้วโลกนี้มีมานานเท่าไหร่พระพุทธเจ้ารงมีมานานขนาดนั้นไม่ผัดเปลี่ยนกันมาเรื่อยเื่เช่นพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันผ่านไปแล้วแล้วพายาเมตไทรก็จะมาจักสรุปอีกแล้วก็ทายทอดแห่งธรรมคือความจริงนั้นมาโดยลําดับลำดับ ไปโดยลำหนับลำหนับไม่มีที่สิ้สุดในการต่อไปก็ยังมีจะมีพระพุทธเจ้าสิทธะองค์ที่เรียกว่าอะไรอนาคาตะของพระพุทธเจ้าสิพระองค์นั้นก็จะสืบต่อกันไปเรื่อยๆและยังจะมีต่อไปเรื่อยๆเช่นนี้นี่คือความจริงค่อยเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเช่นนี้องค์ใดที่มาตรัสรู้ก็จะจัสรู้แต่ธรรมของจริงธรรมของจริงนี้ลบไม่สูง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 กตนับว่าเรามีบุญวาสนานมีบุญญาที่ส้มผ่านคนที่มีจํานวนมากไม่เคยได้สัมผัสอัตธรรมจากศาสนาธรรมนี้จะมีจํานวนทเท่าไหร่นับไม่ได้เลยแต่เราก็เป็นผู้หนึ่งในจํานวนของผู้ที่ได้นับโปว่าหรืได้นับถือพระพุทธศาสนานได้พระพุทธปฏิบัตนนิตามหลักธรรมของพระพทุทธเจ้าและเราจะว่าเรามีอํานาจวาสนาน้อยได้อย่างไร ต้องมีวา ส, สนาบสมควรที่จะรับอัตลบธรรมถึงไในรับในนับถือพุทธศาษษษษสนามไดถึงในนับถือคนที่เขามานับถือมีมากมายกาวกองเห็นของจริงเป็นของปลอมเห็นของปลอมเป็นของจริงนี้มีมากที่จะเห็นความของจริงเป็นของจริงเห็นของปลอมเป็นของปลอมนี่มีจํานวนน้อยเพราะสายตามนุษย์ออกจากใจใจถ้ามืดม น, มนตกลนตาการเสียจริงๆแล้ว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 ทิ้งไดที่ไม่มีก็บอกว่ามันมีเช่นความเที่ยงของโลกนี้ไม่มีอย่างนี้ก็ไม่มีจริงๆคือความเที่ยงความแน่นหนะาทวารตลอดไปนี้ไม่มีสําหรับโลกอนิจจังนี้มีพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้แล้วเราก็เห็นไม่ใช่เหรอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใต้กฎของอนิจจังนี้มันไม่แปรสภาพมันทนต่อสู้ความอนิจจังจนชนะไปได้เราเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นต้องไปนในจังวันยังขําคืนยังรุ่ง ว่าอะไรที่เป็นด้านวัตถุจะแปรสภาพไปโดยลํำดับเป็นแต่เพียงว่าช้าหรือเร็วต่างกันเท่านั้นความแปรแปรอยู่ตลอดเวลานี่พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้เป็นความจริงหรือไม่เราดูด้วยตาก็เห็นสิ่งที่ไม่มีก็คือว่สิ่งที่ธรรมชาติที่จะมาต่อสู้ความอนิจจังนี้ไม่ให้แปรปรวนไปได้อย่างนี้ไม่หนีนะต้องเป็นอนิจจัง อย่างตายตัวทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ในโลกโดยเป็นความสมมุติคือสิ่งที่เป็นสมมุติแล้วต้องเป็นไปตามสมมุติอยู่ตลอดไปคืออนิจจังทุกขังอันตานี่เป็นกฎตายตัวของโลกพระพุทธเจ้าทรงสัง่งสอนไว้อย่างนี้ใครจะขัดค้านต้านทานเพียงไรก็ตามผู้ขัดข้านต้านทา น, ก, า ก, า น, านทาก็คือตัวอนิจจังทุกขังอันตาอยู่โดยดีจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นี่ยเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนสิ่งใดเป็นความจริงทั้งนั้นที่สอนเข้ามาภายใ น, ในใจิตใจ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 ที่จะนําสาเหตุให้เกิดความเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์ความคิดนั่นเป็นความผิดเนี่ยการพูดอันใดเป็นเหตุให้เกิดความกระทกข์ขืนได้สาระที่จะทุงเถือประโยชน์ได้คําพูดเช่นนั้นเรียวกว่ามิจฉาวาจาไม่ควรจะพูดนะให้ระมรัดระวังเนี่ยการพูดโธงก็สอนให้ระมรัดระวังการคิดก็สอนให้ระมรัดระวังการกระทําอันใดที่จะเป็นไปเพื่อความขอ้อทกข์ทืนตนหรืออื่นที่ท่านบอกวก่าเป็นความผิดก็ทรงสอนให้รู้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 วิธีทดสอบวิธีสังเกตความวิธีแห่งความคิดของตนภายในพิสูจางทางด้านจิตตะภรวนาเป็นหลักใหญ่เะฉนนัน้การภาวนาจิตเป็นเรื่องที่จะทดสอบจิตเรียนให้รู้เรื่องของจิตความคิดความปรุงของจิตโดยตรงในขณะหนึ 1, ่งหนึ่งจิตจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้คิดจิตอยู่ได้ด้วยการคิดการปรุงทั้งนั้นไมไ่อยู่ได้ด้วยความนิ่งความสงบถ้าไม่มีทำเป็นเครื่องบังคับ หรือเป็นมีทำเป็นเครื่องอบรมให้จิตมีความสงบได้จิตจะหาความสงบมาได้หมุนตัวเป็นเคลียรอยู่ทั้งวันทั้งคืนส่วนมากก็หมุนไปทางที่จะผูกมัดรัดตึงตัวเองให้เกิดความวร้อนวุ่นวายเหมือนกับคนก่อไฟไมันรู้จักก่อแต่จะดับไฟไม่รู้จักวิธีดับเนี่ยนก็ลุกขึ้นด้วยท่านสอนในภาวนาก็คือให้รู้วิถีของจิตเช่นการกำหนดอนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกหรือกำหนดพุทโธเป็นต้น ให้มีความรู้อยู่กับพุโทโธหรือให้มีความรู้สึกอยู่กับลมที่สัมผัสจะสัมผัสที่ตรงไหนมากน้อยให้จับจุดที่ลมสัมผัสมากนั้นไว้เป็นอารมณ์ของใจสัมผัสออกสัมผัสเข้าคือลมหายใจเข้าออกให้กําหนดรู้อยู่นั้นโดยเฉพาะเฉพาะด้วยความมีสติจิตเมื่อมีความตั้งสติมีสติเป็นเครื่องรุมัดระวังรักษาอยู่ความรู้นั้นจะค่อยสื่อต่อกันโดยลําดับลนดับแล้วจะปรากฏเป็นความสงบลงไปเมื่อจิต ปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาความวุ่นวายที่เคยเป็นภายในจิตก็ระงับดับลงไปกลายเป็นความสงบแล้วผลคือความสุขก็ปรากฏขึ้นมาภายในจิตนี่แหละคือผลหนึ่งการทดสอบจิตการรัาากษาจิตคือความสุข้าปรากฏขึ้นมามากน้อยก็ทราบภายในจิตใจด้วยอํานาจแห่งกําลังความสามารถของผลที่ทำํำหากมีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดมากและมีความชำนิชานาญในการ รักษาจิตจิตก็ยิ่งทรงตัวได้นานด้วยความสงบสุขจิตที่มีความสุขก็ฟักตัวเองควรตัวเองด้วยการคิดการพุงในแง่ต่างๆไม่มีสิ้นสุดยุติลงได้จิตจะหาความสงบได้อย่างไรเมื่อถูกกวนอยู่จังเหมือเช่นน้ำก็ต้องขุนเป็นตมเป็นโคลนไปได้เพราถูกกวนจิตก็ต้องขุนโมะ จิตที่คกมัวหาความสุขที่ไหนได้ไม่มีโลกทั้งโลกมันโลกทั้งโลกมันร้อนไปหมดถ้าจิตได้ร้อนเสียดงเดียวเท่านั้นเพราจิตมีความรู้สึกทั่วโลกกระฐานคิดไปไหนได้หมดไม่นิยมว่าไกลว่าไกลเว ล, ล่ำเวลานั้นเวลานี้ไม่มีคิดขณะเดียวเท่านั้นครอบโลกกระฐาน น, นี่แหละคือความปรงุงเพื่อรบปวนหรือรบหรือปวนตัวเองจึงต้องอาศัยการอบรมระมรัดระวังจิตให้มีความสงบ ด้วยบทธรรมให้อยู่ในธรรมบทเดียวก่อนแล้อระลึกรู้อยู่นั่นโดยตลอดในขณะที่ทําภาวนาใจจะค่อยสงบลงไปเมื่อใจสงบความเย็นจะปรากฏขึ้นความผองใสจะปรากฏขึ้นที่จิตจุดแห่งความรู้จะเด่นขึ้นที่จิตเพราะกระแสแห่งความรู้รวมตัวเข้ามาด้วยอํานาจแห่งการภาวนาตะล่ําเข้ามาจนสู่จุดแ ห, แห่งความรู้อย่างชัดเจนนั่นสงบท่านเรียกว่าจิตสงบ เมื่อจิตสงบแล้วก็เย็นเมื่อปรากฏผลคือความเย็นแล้วอิสัต tha ความเชื่อเลยยะคือความภาคเพีเยรขันติความอดความทนความอุตสาห์พยากรหากเป็นมาเองเพอเห็นผลแล้วย่อมมีแต่จิตใจที่จะต้องทําให้ยิ่งขึ้นกว่านั้นอย่างน้อยให้ทรงตัวได้มากกว่านั้นก็ให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปจิตใจเมื่อรับการบํารุงได้รับการรักษา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 ไม่สามารถที่จะเข้ามาทําลายจิตใจได้เมื่อสติเป็นผู้ระมัดระวังรักษาอยู่สติคือเจ้าของของจิตปัญญาเป็นผู้ไข้ครวญถึงการที่ช่ว่ครวญพิจารณาโดยทางปัญญาแล้วก็พิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้งตามตัดตามความเป็นจริงที่มีอยู่ในธาตในขันธ์ซึ่งเป็นกองแหิจังทุกข์ของาตาปล่อยวางลงได้ตามเป็นจริงของมันจิตใจก็เป็นเอกจิตเอกธรรมสลัดปัดทิ้งสิ่งทั้งหลายที่เป็นกองแห่งอิจฉาทุกข์ของตานี้ได้โดยสิ้นเชิง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 เราก็พอประคองตวงเราได้โดยสม่ำเสมอและเป็นความปลูกความเจริญเรื่อยๆไปหากเรามีความสามารถแก่กล้าในพิพจารณาทางสมาธิหรืปัจนาก็สามารถทิ่จะแทงพระูปปุปรงจากที่เด็ไปได้โดยที่เชิงเช่นเดียวกันกับพระพิจ้าแล้วมหาสมบัติก็จะไม่หาที่ไหนสมบัติอันร้นค่าจะปรากฏขึ้นภายในจิตของเราผู้ชำระเรียบร้อยแล้วนี้โดยไม่ต้องสงสัยจึงขอให้ท่านทั้งหลายนํามาพินิจพิจารณาได้รักษาใจของตนให้ดี โดยลำลับจยยใจนิแดเป็นมหาสมบัติม่นมีสิ่งใดจะมีคุณค่ามากยิ่งกว่าใจาที่รักษาเรียบร้อยแล้วจึงขอุติธรรมเพียงเท่านี้